ท่านมาอยู่บ้านคอนานาลายท่านก็เคยมาจำรรษาดูสิทางเวียงจันท่านก็เคยไปแล้วก็นน้ำตกจุงทองอยู่ใกล้ๆเราทนี่ถ้ำหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นทําไมมาอยู่ขนาดนี้แต่ขนาดนี้ก็เติดเมื่อไม่นานมานีเมื่อสิบสิบกว่าปีให้หลังใครจะขึ้นอยากจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้เป็นหน้าผาสูงชันอีกต่างหากแต่หลวงปู่มั่นมาอยู่นี่แหละ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 คนระดับไหน Biology, มันเข้ากันได้ระดับนั้นคนขี่เหล้าก็เข้ากับคุณคนขี่เหล้าค น, คนขี่โบกขี่เบี้ยขี่การพนันมันก็เข้ากันได้คนขี่บัตรขี่เบอร์มันก็เข้ากันได้คนหวังอัดหวังทำมันก็เข้าไปอีกกลุ่มหึืออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มใครกลุ่มเราอย่างหลวงปู่ล่าท่านพูดกลุ่ ม, มแมลงพึ่งกับกลุ่มแมลงพึ่งกลุ่มแมลงผู้กลุ่ ม, มแลล ม, มแลงวันวเขียวมันก็กลุ่มของใครของเรานี่ก็เหมือนกันกลุ่มพระสงฆ์ทั้ง 500้อองคเ์เมื่อฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็เออปักพวกเราเข้าป่าหาภาวนาหามุมสงบจากนั้นก็เดินหาเที่ยวไกลไปตึงไกลไปตึงร้อยกว่ากิโลจากปัป่าเชตะวันพอไปก็ไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นก็ติดติดป่าดงป่าดงค่งว่าไพสนก็ว่าไพสนคือเป็นป่าที่หนาแน่น ก็ไปบินทบาทตอนเช้าพระสงฆ์ตั้งห0ร้ศรัทธาญาติโยมก็แตกตื่นขึ้นมามาก็ดูแล้วเอาพระคุณท่านไปยังไงมายังไงพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าเขาบอกเอออาตมาได้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วอาตมาก็จะมาหาที่สงบสงสัดภาวนาจัมมะจิตใจไม่มีอะไรศรัทธาญาติโยมเอาพระคุณท่านจะไปที่ไหนตรงนี้ก็มีอยู่นะปา่าดงพวกขายินดีเพราะเป็นป่าดงใหญ่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 พอในสุดเทวดาก็ปรึกษากันเลยอีอลูกขะเทวดาปรึกษากันเอเราจะให้พระสงฆ์เหล่า น, นี้ออกไปยังไงนั่นนะวางแผนนั่นเลยทีแต่พอต่อมาพระสงฆ์เหล่านั้นกับภาวนาอยู่ในป่าของใครของเราเงียบสงบเอีบางทีเทวดาเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงพูดพุดพดพดพมพุมพ่มผอมผมขึ้นมาอ่าพวกนี้ก็ได้ยินเอมันเสียงอะไรพระสงฆ์ก็คิดอะไรที่นั่นว่าอยู่ในป่าโง่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมเพียงเป็นพระปุตุชนอยู่ใช่ไหม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 อาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พลอด